เริ่มต้นนะแล้วก็ทำการเริ่มต้นเมื่อเราตั้งใจ่ละสมาทานศีลและสมาท า, า, านปพระกรรมฐ า, านก็ถือว่าสิ่งที่ผ่านมาก่อนหน้านี้จะเป็นอะไรไม่สำคัญเอาปัจจุบันสุทุกข์ก็อยู่ที่ปัจจุบันนี้แหละอนาคตรเราก็ยังไม่รู้ว่าจะมีอะไรให้เกิดขึ้นแต่ปัจจุบันเวลานี้ตั้งใจไว้เพความสุข มันหาไม่ยากเราทําให้เกิดขึ้นได้ด้วยใจของเราไม่ต้องพึ่งพาอาศัยอะไรขอให้เราไม่โงอตแค่อย่างเดียวเราก็หาความสุขได้นะแล้เวลานี้เราหาความสุขจากความสงบมันเล็กน้อยแต่ท mm ํา hmm. ไปสักห้านาทีสงบสักก่อนไม่ต้องเอามากนะ ห, หลับตานิ่งๆสบายๆหาย ใ, หใจเข้าไปลึกๆ หายใจออกยาวๆนะถ้าสองสามครั้งนะหายใจเข้าไปลึกๆหายใจออกยาวๆนะให้ลมหยาบในร่างกายของเรามันคลายจวไปสักก่อนอย่าให้มันรู้สึกมันแน่นท้องแน่นอกนะให้มันรู้สึกว่าท้องเราโปร่งแล้ ว, ลวไม่อิดอัดปล่อยําสบายนะดึงหายใจเข้าไปลึกๆกลับลงให้ใจออกยาวๆ อเรารู้สึว่าร่างการมันผ่อนตัวดีแล้วเราก็ไม่ต้องสนใจลมหายใจว่าจะเข้าจะออกไม่ต้องบังคับมีหน้าที่ของเราคือใจรับรู้ในสิ่งที่มันเกิดขึ้นว่าลมมันกระทบเข้ามาทางจมูกแล้วมันกําลังออกมันกําลังเข้าเอาเบิ้ลตอนแค่นี้นะให้รู้ว่ามันออกมันเข้าดูไปเพราะลมหายใจมันไม่มีอะไร มันเข้าก็รู้ไว้มันออกก็รู้ไว้ถ้าเข้าพุทธก็ได้ออกเทก็ได้นี่จะเคยทำได้กรรมฐานมาแบบไหนก็ทาตามที่เคยเคยนะทำให้จิตเราว่างว่าจากความคิด ว, าาว่างจากความรู้สึกต่างๆให้มีกำลังสักหานาทีนะ